ยืนเดินนั่งนอนเป็นรูปทั้งหมดเป็นกายพระเจ้าถือว่าเป็นกายอริยาบทใหญ่ทั้ง4ี่ยืนเดินนั่งนอนเป็นกาย 3. ามอริยาบทย่อยทั้งหมดเหยียดแขนออกไปหดแขนเข้ามา เหยียดขาออกไปเหยียดขาเข้ามารวมทั้งการกินการมองไปข้างหน้ามองไปข้างซ้ายมองไปข้างขวาเป็นอิรยาบทย่อยเป็นรูปทั้งหมดนี่อิรยาบทย่อยประการที่สามอิรยาบทย่อยของเราทั้งหมดคือนอกเหนือจากอิริยาบทใหญ่เป็นรูปทั้งหมด ประการที่4อาการกาย32อาการกาย32เป็นรูปทั้งหมดนี่เป็นรูปในสติปัฏฐานสประการที่5ก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นรูปทั้งหมดเป็นกายถือว่าเป็นกายและประการที่6ก็คือป่าช้าทั้งเก้าก็คือกริยาอาการ ของคนที่ตายแล้วที่ตายตั้งแต่ตายใหม่ๆไปจนกระทั่งกระดูปนเป็นดินไปกลับเป็นดินตามเดิมท่านแบ่งเป็นเก้าขั้นดดวยกันเป็นรูปทั้งหมดเป็นกายนี่รูปเยอะแยะรูปเยอะแยะนี่รูปลักษณะของรูปนั้น รู้อะไรไม่ได้เลยรูปรู้อะไรไม่ได้เลยมีแต่แตกสลายอย่างเดียวส่วนนามส่วนนามนั้นมีความรู้สึกได้รู้สึกว่าเห็นรู้สึกว่าได้ยินรู้สึกว่าได้กลิน่นรู้สึกว่าได้รสรู้สึกว่าได้สัมผัส นั่นนามรู้สึกว่าสบายหรือไม่สบายหรือว่าเฉยๆนั่นเป็นนามรู้สึกว่าจำได้จำไม่ได้นั่นเป็นนามรู้สึกว่ายินดีรู้สึกยินร้ายรู้สึกชอบใจรู้สึกไม่ชอบใจนั่นเป็นนาม รวมความแล้วนามคือธาตรู้สภาพรู้เพราะฉะนั้นนี่ก่อนอื่นต้องแยกรูปแยกนามอย่างนี้ให้ได้แยกรูปแยกนามอย่างนี้ให้ได้ทำไมพระสมพูธเจ้าจึงให้เราแยกรูปแยกนามอย่างนี้เมื่อเราแยกรูปแยกนามอย่างนี้ได้แล้วความรู้สึกต่อไปของเราเป็นอย่างไร ความรู้สึกต่อไปของเรานั้นนะก็จะไม่เห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นสิ่งของใดๆใช่ไหมจะไม่เห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นสิ่งของใดๆใช่ไหมเราจะมองเห็นเป็นรูปเป็นนามเท่านั้นเองทุกวันนี้เราติดในสมมุติใช่ไหมมองเห็นที่ไรก็เป็นสัตว์ มองเห็นที่ลายก็เป็นบุคคลมองเห็นที่ลายก็เป็นสิ่งของอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมประการสำคัญประการหนึ่งในการปฏิบัติของเรามุ่งไปสู่จุดสุดท้ายคือความวิมุตใช่ไหมคือความวิมุตวิมุตแปลว่าหลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากสมมุตวิมุตตรงข้ามกับสมมุต ขณะนี้เราไปติดในสมมุติก็ลึกไปยึดมั่นในสมมุติไปติดในสมมุติก็ไปยึดมั่นในสมมุติว่าเป็นเราเป็นของของเราอ่ะเพราะฉะนั้นการที่พุทธเจ้าให้เราแยกรูปแยกนามอย่างนี้ต่อไปเมื่อเราแยกรูปแยกนามชํานาญดีแล้วเรามองเห็นที่ไรมันก็จะได้ไม่เป็นสัตว์ไม่เห็นเป็นสัตว์ไม่เห็นเป็นบุคคลไม่เห็นเป็นสิ่งของอะไรทั้งนั้น เห็นเป็นรูปแค่รูปแค่นามแค่รูปแค่นามเท่านั้นรูปนามนี่มันก็เป็นกลางๆางใช่ไหมรูปนามนี่มันก็เป็นกลางๆางนั่นประการแรกพระเจ้าจึงให้เราแยกรูปแยกนามให้เราแยกรูปแยกนามให้ได้อย่างนี้เรามานี่คือในยานที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะต้องปฏิบัติ อย่างนี้นะต้องฝึกอย่างนี้ไปมองให้เห็นเป็นรูปแค่รูปแค่น้ำเท่านั้นไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีสิ่งของใดๆ น, ใ น, นี่ก่อนอื่นต้องแยกรูปแยกน้ำอย่างนี้นี่คือปัญญาขั้นที่หนึ่งวิปัสนาญาณขั้นที่หนึ่งต้องแยกรูปแยกน้ำให้ชัดเจนให้ชํานาญอย่างนี้เมื่อเราแยกรูปแยกน้มชัดเจนชนานาญดีแล้ว เรามองเห็นทีไรมันก็ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลที่ว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นสิ่งของนั้นเป็นโดยสมมุติโดยปรมัตน์แล้วมีแค่สองอย่างเท่านั้นรูปกับนามนีม่โดยปรมาทัน์นิยานที่หนึ่งเมื่อเราแยกรูปแยกนามได้ชัดเจนแล้วพอมายานที่สองพระสมมาพุทธเจ้าให้เราฝึกปฏิบัติให้เกิด ยานที่สองคือปัจจยะปริฆหายานปัจจยะปริฆหายานปัญญาอย่างรู้อย่างเห็นการเกิดขึ้นของรูปของนามนี่มายานที่สองนี่ให้เราฝึกปฏิบัติเพื่อที่จะให้เข้าไปรู้ไปเห็นการเกิดขึ้นของรูปของนามเอาการเกิดอย่างเดียวให้เห็นการเกิดอย่างเดียว ให้เห็นการเกิดขึ้นของรูปของนามและในการเกิดที่จะเข้าไปสังเกตการเกิดขึ้นของรูปของนามนั้นพระสมพระพุทธเจ้าก็แนะว่าให้เราแล้วว่าการเกิดขึ้นของรูปของนามนั้นเกิดขึ้นจากการอิงอาศัยซึ่งกันใดการเกิดคือรูปกับนาม อิงอาศัยซึ่งกันในการเกิดรูปเป็นปัจจัยให้เกิดนามนามเป็นปัจจัยให้เกิดรูปรูปนามในขันห้ารูปนามในขันห้านี้ไม่ได้เกิดมาจากอะไรเลยไม่ได้เกิดมาจากใครที่จะโดนบันดาลไม่ได้เกิดจากฟ้าดินโดนบันดาลทั้งนั้น รูปนามเองเขาเป็นปัจจัยให้เกิดซึ่งกันและกันเมื่อเราจับหลักอันนี้ได้เราก็สามารถที่จะพยายามที่จะเข้าไปดูให้เห็นการเกิดขึ้นของรูปของนามได้ก็ยกตัวอย่างอย่างที่เราได้เคยกล่าวกันมาแล้วการเกิดรูปนามในขันทา่า อย่างสีที่มากระทบตาสีที่มากระทบตาสีน่นมันก็เป็นรูปพอมากระทบตาแล้วจิตรู้ว่าเห็นจิตรู้ว่าเห็นนี่วิญญาณขันเกิดขึ้นเรียกว่านามเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมรูปเป็นปัจจัยให้เกิดนาม ว, ญญญวิญญาณขันเกิดขึ้นวิญญาณขันเกิดขึ้นวิญญาณก็เป็นนาม<ฮ>เมื่อวิญญาณขันเกิดขึ้นเห็นรูปเห็นรูปรูปประขันก็เกิดขึ้นรูปประขันเกิดขึ้นตามรูปประขันรูปในขันห้าก็เกิดขึ้นตามนี่เห็นไหมว่าการเกิดขึ้นของรูปของนาม อิงอาศัยซึ่งกันด้กานเกิดครั้งแรกรูปจากภายนอกรูปจากภายนอกมากระทบตาวิญญาณขันเกิดขึ้นรู้ว่าเห็นเห็นอะไรเห็นรูปรูปาขาันเกิดขึ้นเสียงเป็นรูปเสียงเป็นรูปมากระทบหูจิตรู้ว่าได้ยินวิญญาณขันเกิดขึ้น วิญญาณขันเกิดขึ้นได้ยินได้ยินอะไรได้ยินเสียงรูปประขันเกิดขึ้นนี่อิงอาศัยซึ่งกันและการเกิดอย่างนี้ไม่ใช่ฟ้าดินโดนบันดาลไม่ใช่อะไรทั้งนั้นนี่การเกิดขึ้นพระเจ้าให้เราสังเกตให้เราพิจารณาการเกิดขึ้นของรูปของนามเราท่านก็บอกว่าปัจจะญปริกหายาน ร, ญญรู้ปัญญารู้ปัจจัยอิงอาศัยซึ่งกันและกันเกิดให้เราสังเกตอย่างนี้นี่านขั้นที่สองให้เราเข้าไปสังเกตการเกิดขึ้นของรูปของนามอย่างเดียวโดยสังเกตอย่างนี้เราก็สามารถที่จ ะ, ะเห็นรูปเห็นนามมันเกิดขึ้นได้รูปนามมันเกิดขึ้นอย่างนี้พอมยานที่สาม สัมมาสัญญาณท่านให้เราเข้าไปดูการดับไปของรูปของนามให้ดูการดับยานที่สองให้ดูการเกิดของรูปของนามยานที่สามให้ดูการดับของรูปของนามรันที่แล้วมาอาตมาให้เราสังเกตเข้าไปดูการเกิดของรูปของนามของลมหายใจ เข้าลมหายใจออกดูการเกิดลมหายใจตัวลมนั่นนะเป็นรูปมากระทบที่ปลายจมูกความรู้สึกว่าลมหายใจเข้านามเกิดนามรู้เกิดนามรู้เกิดหรือ ลมหายใจออกลมหายใจออกมันก็เริ่มออกจากถุงลมที่ช่องท้องเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วพอรู้สึกว่าลมหายใจออกนั่นรูปนามลมหายใจออกก็เกิดขึ้นโดยอาศัยอิงอาศัยซึ่งกันในการเกิดลมปะทะก่อนแล้วเกิดความรู้สึกความรู้สึกนั่นเป็นนาม นี่เป็นปัใจจัยให้ให้การและการเกิดอย่างนี้พมยานที่สมสัมมาสนญาณท่านให้เราไปสังเกตดูการดับไปของรูปของนามอย่างเดียวดูการดับไปของรูปของนามอย่างเดียวและในการที่เราจะสังเกตการดับไปของรูปของนามนั้นท่านให้เราสังเกตอย่างไรผู้เจ้าท่านให้เราสังเกตให้หลักก็ไว้ว่าการที่รูปนาม ใหม่จะเกิดขึ้นได้นั้นรูปนามเก่าต้องดับไปก่อนการที่รูปนามใหม่จะเกิดขึ้นได้นั้นรูปนามเก่าต้องดับไปก่อนเพราะฉะนั้นจากหลักอันนี้ในยานที่สองท่านในเราดูการเกิดใช่ไหมดูการเกิดของรูปของนามเพราะฉะนั้น ไอ้ความดับไปของรูปของนามมันก็อยู่จุดเดียวกันนั่นใช่ไหมเห็นรูปนามใหม่เกิดรูปนามเก่ามันต้องดับถ้าเห็นรูปนามใหม่เกิดต้องเห็นรูปนามเก่าดับเพราะมันจะเกิดซ้อนกันไม่ได้มันจะเกิดพร้อมกันไม่ได้รูปนามเก่าต้องดับไปเส้อก่อนรูปนามใหม่จึงจะเกิดขึ้นได้เพราะนั้นในสมมะสะนญาณ การที่เราจะรู้ว่ารูปนามมันดับไปนั่นก็คือการที่เราเห็นรูปนามใหม่มันเกิดเราจะรู้ว่ารูปนามลมให้ใจเข้ามันดับเมื่อไรมันดับเมื่อเรารู้สึกเมื่อรูปนามใหม่มันเกิดคือลมให้ใจออกมันเกิดใช่ไหมรูปนามใหม่ ลมหายใจออกนี่เป็นรูปนามใหม่ใช่ไหมรูปนามใหม่พอเรารู้ว่าลมหายใจออกนั่นแปลว่ารูปนามเก่าของลมหายใจเข้าดับหรือรู้ว่ารูปนามลมหายใจเข้าใหม่มันเกิดก็แสดงว่ารูปนามลมหายใจออกมันดับอมืมันอยู่จุดเดียวกันมันอยู่จุดเดียวกัน เห็นใหม่เกิดขึ้นต้องเห็นอันเก่าดับเพราะมันจะซ้อนกันไม่ได้รูปนามเก่าต้องดับสนิทซะก่อนรูปนามใหม่ถึงจะเกิดขึ้นได้นี่นี่เราพูดกันถึงเรื่องของการมาถึงยานที่สามใช่ไหมดูลมหายใจเข้าดูรูปนามลมหายใจเข้ารูปนามลมหายใจดับนี่ รูปนมลมให้ใจเข้าเกิดขึ้นที่ปลายจมูกรูปนามลมให้ใจดับที่ช่องท้องเหนือสะดือ2นิ้วรูปนามลมให้ใจออกเกิดจากช่องท้องเหนือสะดือ2นิ้วแล้วก็มาดับที่ปลายจมูกนี่คื อ, อยันที่3แล้วใช่ไหมที่พูดกันมาแล้วแต่ทีนี้โดยข้อเท็จจริงโดยข้อเท็จจริงรูปนำ ม, มันไม่ได้เกิดมันไม่ได้ดับ อย่างช้าๆอย่างนี้ใช่ไหมรูปนามลมหายใจเข้าไม่ได้เกิดที่ตอนปลายจมูกแล้วก็มาดับที่ช่องท้องเหนือสะดือสองนิ้วนั่นเราให้ดูรูปนามอย่างช้าๆมันเป็นอย่างนั้นแต่โดยธรรมชาติที่แท้จริงนั้นรูปนามลมหายใจเข้านี่ไม่ได้เกิดขึ้นที่ปลายจมูกไม่ได้ดับที่ช่องท้องเหนือสะดือสองนิ้ว มันเกิดมันดับมันเกิดมันดับเป็นแสนเป็นล้านครั้งเป็นแสนเป็นล้านครั้งพอจะถึงที่ช่องท้องเหนือสะดือสองนิ้วเพราะอะไรเพราะลมหายใจมันประทะกับกายมาตลอดตามหลอดลมใช่ไหมเ <c oughs> พราะประทาจุดหนึ่งมันก็เกิดดับครั้งหนึ่งประทาจุดหนึ่งก็เกิดดับครั้งหนึ่งประทาจุดหนึ่งก็เกิดดับครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้น รูปนามขันห้าของลมหายใจเข้าตั้งแต่ปลายจมูกถึงช่องท้องเหนือสะดือสองนิ้วนั่นน่ะเกิดดับเกิดดับเป็นแสนเป็นล้านครั้งใช่ไหมนี่คือข้อเท็จจริงหรือรูปนามขันห้าของลมหายใจออกก็เกิดดับเกิดดับตั้งแต่ช่องท้องเหนือสะดือสองนิ้วจนกระทั่งมาถึงปลายจมูกสุด เกิดดับเกิดดับเป็นแสนเป็นล้านครั้งเพราะฉะนั้นการที่เราสังเกตรูปนามเกิดรูปนามดับจากยานที่2จากยานที่3อย่างช้าชานั้นถามวาใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่าใช้ได้ประมาณสัก 5% เปอร์เซนต์เพราะยังไม่ได้เป็นธรรมชาติยังไม่เท่ากับธรรมชาติของมัน ธรรมชาติมันเกิดดับเกิดดับเป็นแสนเป็นล้านครั้งต่อวินาทีต้องเข้าไปรู้อันนั้นต้องเข้าไปรู้การเกิดดับที่ว่าเป็นแสนเป็นล้านครั้งนั้นจิตธรรมดาของเรานั้นสามารถเข้าไปรู้ได้ไหมตอบว่าไม่ได้เนื่องจากว่ามันเกิดดับอย่างรวดเร็วอาการเกิดดับอย่างรวดเร็วนั้นที่ว่ามันทีเกิดดับอย่างรวดเร็วนั้น จิตเราไม่สามารถที่จะจับได้พระสมมาผู้เจ้าเรียกว่าสันตติสันตติความเกิดแปลว่าเกิดดับอย่างรวดเร็วไอ้ความสัน เ, เกิดความที่ว่าสันตติหรือความเกิดดับอย่างรวดเร็วนี้นะ่ะที่เราจับไม่ได้นี้แหละทั้งนี้ก็เพราะว่าผู้เจ้าตรัสว่าสันตติมันปิดบังเอาไว้ใช่ไหม ความเกิดดับอย่างรวดเร็วมันปิดบังเอาไว้สันตติมันปิดบังไม่ให้เราเห็นการเกิดการดับเพราะถ้าเราสามารถเห็นการเกิดการดับได้เราสามารถเห็นอีนนิจังได้ใช่ไหมแต่ขณะ น, นี้มันเกิดดับอย่างรวดเร็วเราก็ไม่สามารถที่จะเห็นอ น, นิจังได้พระเจ้าจึงตรัสว่าด้วยสันติมันปิดบังอณิจังไว้ ของสิ่งใดก็ตามถ้าเราจะถ้ามันปิดมีอะไรปิดบังไว้เราก็มองไม่เห็นใช่ัหมถ้าเราจะให้เห็นเราก็ต้องเปิดสิ่งนั้นใช่ัหมก็ในเมื่อสันตติมันปิดบังอั น, นิจจังไว้เราจึงไม่เห็นอั น, นิจจังถ้าจะให้เห็นอั น, นิจจังของธรรมชาติของ การเกิดดับของรูปนามกันห้าอย่างรวดเร็วเราก็ต้องเปิดสันตติต้องเปิดสันตติเพราะในยานที่สีนี้นะ่ะที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าอุทยพยัญานปัญญาอย่างรู้การเกิดการดับของรูปของนามอย่างรวดเร็วได้เพราะฉะนั้นในยานที่สีนี้นะ่ะท่านจึงให้เราเอาจิต ที่ผ่านสมาธิอย่างดีมาแล้วผ่านสมาธิมีสมาธิมีสติอย่างดีมาแล้วเอามาเพ่งดูอยู่กับรูปนามขันหะอันนั้นในที่นี้ก็คือของเรารูปนามขันหาของลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกเอามาเพ่งดูอยู่กับรูปนามของลมหายใจเข้ารูปนามลมหายใจออก ที่มันเกิดดับเกิดดับอย่างรวดเร็วเนี่ยเพ่งดูเพ่งดูจนกระทั่งสันตติขาดเมื่อสันตติขาดนั่นแหละแปลว่าเราได้เปิดสันตติออกแล้วเราจะได้เข้าไปเห็นการเกิดการดับของรูปนามอย่างรวดเร็ววันนั้นเพราะนั้นในยานที่สี่นี้ เราต้องเอาจิตที่ผ่านสมาธิอย่างดีมาแล้วถอนออกจากสมาธิเมื่อจิตถอนออกาจากสมาธิแล้วรีบเอาจิตมาเพ่งดูเอาสติเอาจิตมาเพ่งดูรูปนามขันห้าของลมหายใจเข้าออกนี้จงกระทั่งให้เกิดสันตติขาดจงกระทั่งให้สันตติมันขาดนั่นแหละแปลว่าเราเข้าไปรู้ เห็นการเกิดดับของรูปนามขันห้าอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นอันนี้ในสไลด์แผ่นนี้ก็คือจากแผ่นเขาที่แล้วทีนี้ตัวมันเล็กลงเกินไปอัตมาเคยอ่านให้ฟังเมื่อคราวที่แล้วทีหนึ่งแล้วแต่ก็ไม่ต้องจดนะต้งความเข้าใจในการปฏิบัติภาวนาเพื่อให้เกิดวิปัสสนาญาณที่4คืออุทยพ ย, ายาัญาณพระพุทธเจ้าเรียกอุทยพยญาณ แปลว่าปัญญาอย่างรู้อย่างเห็นการเกิดการดับของรูปนามของรูปของนามอย่างรวดเร็วตามธรรมชาติของเขาขั้นตอนก็คือหนึ่งเอารูปนามขันห้าของลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่นแหละเป็นองค์ภาวนาเป็นองค์ภาวนาตามเดิมรูปคือลมนามคือความรู้สึกขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกนั่น เป็นรูปนามขันหน้าของลมหายใจจากการปฏิบัติจากการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดวิปัสนาญาณที่สองหลยายญาณที่สคือรูปนามขันห้าของลมหายใจเข้ า, เ, าเกิดลมหายใจเข้าเกิดดับครั้งหนึ่งลมหายใจออกเกิดดับครั้งหนึ่งซึ่งเป็นไปอย่างช้าๆนี่เราฝึกขั้นต้นเราฝึกขั้นต้นในญาณที่สองญาณที่สให้เห็นการเกิดให้เห็นการดับ เห็นไหมเป็นขั้นตอนอย่างช้าๆนั่นแค่ยานที่สองยานที่สามแต่โดยข้อแท้จริงแล้วรูปน้ำขันหน้าเกิดดับเกิดดับอย่างรวดเร็วตลอดระยะทางลมให้ใจเข้าหรือลมให้ใจออกนับเป็นแสนเป็นล้านครั้งทั้งนี้เป็นเพราะลมให้ใจเข้าหรือออกนั้นกระทบสัมผัสกายคือหลอดลมตลอดทาง ตลอดทางเพราะนั้นรูปนามขันห้าจึงเกิดดับเกิดดับตลอดทางใช่ไหมรูปนามขันห้าเกิดดับตลอดทางเป็นไปนอย่างรวดเร็วการที่เกิดการอย่างรู้อย่างเห็นการเกิดขึ้นละดับไปของรูปนามขันห้าได้ตามยานที่สองและยานที่สามอย่างช้าๆได้จึงทำให้เราเข้าไปสู้ความเป็นอนิจจังของรูปนามขันห้าได้นี่ในยานจากยานที่สองที่สามมา เราก็กำหนดเป็นอนิจังได้แล้วใช่ไหมว่ารูปนามขันธ์ห้ามันเกิดมันดับมันก็ไม่เที่ยงแต่ถ้ารูปนามขันธ์ห้าเกิดดับอย่างรวดเร็วตามความเป็นจริงเป็นแสนครั้งเป็นล้านครั้งตลอดทางลมให้ใจเข้าออกนั้นสติสมาธิธรรมดาจะไม่สามารถจับได้และก็ไม่สามารถเข้าไปรู้ความเป็นอนิจังได้ใช่ไหม นี่มีความจำเป็นต้องทำสมาธิมาใช่ไหมต้องให้สมาธิถึงขั้นอัปนาสมาธิใช่ไหมหรือฌานที่สี่ต้องมีสมาธิให้พอไม่งั้นมาจับไอการเกิดการดับของรูปนามขันธ์ห้าไม่ได้ดันั้นใครที่พูดว่าทำปฏิวิปสนาแล้วไม่ต้องทำสมาธิน่ะมันเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เพราะสมาธิมันไม่พอในการที่จะไปจับไอรูปนามขันธ์ห้ามันเกิดดับอย่างรวดเร็วขยับขึ้นไปนีด เพราะนั้นดังนั้นในกรณีนี้จึงจำเป็นต้องเปิดสันติออกสถานการ์อย่างนี้สถานการ์อย่างนี้เรียกว่าสัน ต, ติปิดบัง book. อ น, นิจังสัน ต, ติคือความสืบต be ่ออย่างรวดเร็วปิดบังอันิจังดังนั้นในกรณีจึงจาเป็นต้องเปิดสันตติออกก่อนจึง <anos. S 2> จะสามารถเห็นอานิจังได้ใช่ไหม أو. การเปิดสันตติกระทําได้โดยการใช้จิตที่ประกอบด้วยพลัง ส, งสติและสมาธิและพลังสมาธิเห็นไหมต้องใช้สติและสมาธิอย่างสูงต้องมีกําลังอย่างสูงพอเพ่งรวมจุดเข้าไปที่รูปนั้นหรือนามนั้นจนกระทั่งสันตติขาดนั่นแหละตรงจุดนั้นจะสามารถเกิดการอย่างรู้อย่างเห็นการเกิดดับของรูปนามขันห้า ได้และสามารถเข้าไปกำหนดความเป็นอนิจจังของรูปนามขันห้าได้ตามปกติอาตมาเคยอุปมาไอตอนที่สันตติขาดนี่ไว้เนี่ยอย่างตัวอย่างงานแรกอาตมาสมมุติว่าเรายืนอยู่ที่สถานีรถไฟรถไฟวิ่งไปด้วยความเร็วเรายืนอยู่เราก็ไม่เห็นอะไรใช่ไหย ไม่เห็นอะไรในรถไฟใช่ั้ยเหมือนกับไม่เห็นอันนี้จังแต่ถ้าจะให้เห็นให้เห็นดีเทลรายละเอียดต่างๆบนของรถไฟหนึ่งรถไฟต้องหยุดใช่ั้ยรถไฟหยุดเรายืนอยู่เราก็ดูรถไฟเห็นรายละเอียดหรือมิฉะนั้นถ้ารถไฟไม่หยุดเราต้องวิ่งตามรถไฟใช่ั้ยด้วยอัตราความเร็ว ที่เราวิ่งเท่ากับรถไฟพอดีเหมือนหยุดใช่ไหมเหมือนหยุดทีนี้ถ้าสมมติว่าเรายืนอยู่รถไฟจะหยุดหยุดโดยกระทันหันเนี่ยรถไฟหยุดโดยกระทันหันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมสมมติรถจอดรถไฟจอดโดยกระทันหันเนี่ยฮะโครมเลยใช่ไหม เพระนั้การที่เราเอาจิตของเราที่มีสติมีสมาธิมาเพ่งดูรูปนามขันห้าเพ่งขณะที่เพ่งนั้นแนหะคือเรากําลังปรับความเร็วการเกิดดับของจิตเราให้เท่ากับความเร็วการเกิดดับของขันห้าเมื่อความเร็วการเกิดดับของจิตเราเท่ากับความเร็วของการเกิดดับในขันห้า เหมือนกับมันจอดใช่ไหมเหมือนกับรถมันจอดเหมือนกับรถยนต์วิ่งสองคันถ้าวิ่งด้วยอัตราวความเร็วต่างกันมันก็ไม่เห็นกันแต่ถ้าอีกคันหนึ่งมันวิ่งมาด้วยอัตราวความเร็วมาเท่ากันพอดีเหมือนกับจอดเลยใช่ไหมทีะนั้นณตรงจุดนั้นน่ะที่ที่ความเร็วของจิตของเรามันเกิดดับเท่ากับความเร็วเกิดดับของขันห้านั้นน่ะมันจะสะดุ้งสุดตัวเลย เมือนกับมันจอดเหมือนก็ลรถมันจอดกรทันหันมันจะสะดุ้งสุดตัวเลยนั่นแหละที่ท่านเรียกว่าสันติขาดมันเราก็จะเห็นไอการเกิดดับของรูปนามขันห้างนี่แหละที่พูะเจ้าตรัสว่าสันติมันปิดบังอันนี้จังมันปิดอย่างนี้มันปิดอย่างนี้เอาล่ะอย่างไฟฟ้านี้ใช่ไหมมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับ ติดตดับติดดับติดดับ50ครั้งต่อวินาทีใช่ไหมห้าสิบเฮิร์ซทำไมรู้มันเกิดดับเขามีเครื่องมือวัดออสิโลสโคปเขาเรียกออสิโลสโคปเครื่องมือวัดมิจักเขารู้ดีเอาออสิโลสโคปไปจับที่นี้ถ้าหากว่าไอความเร็วของออสิโลสโคปเครื่องวัดเนี่ยยังไม่เท่ากับความเร็วการเกิดดับของไอไฟฟ้า มันก็ยังเต้นยังไม่นั่นแล้วเราก็ปรับค่อยๆปรับไอความเร็วการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในออสโอโซโคบ พ, พอปรับแล้วความเร็วมันเท่ากันพอดีกันมันจะจอดนิ่งเลยเป็นรูปไซเคิลเป็นรูปไซเคิลจอดนิ่งเลยให้เราเห็นเลยโอ้มันเกิดมันดับอย่างนี้เองผู้ที่เรียนไาฟ้ามาถึงจะเข้าใจเราจะปรับ ความที่เราปรับไอ้เครื่องวัดนั่นนะ่ะคือเราปรับความเร็วของการวิ่งของจุดอิเล็กตรอนให้มันมาเท่ากับไอ้ความเร็วของไอ้ไฟฟ้าที่มันเกิดดับพอดีนี่ไงเพียงแค่50 50ครั้งต่อวินาทีตาเรายังดีเทคไม่ได้ใช่ไหมว่ามันเกิดมันดับนี่ไงสัน ต, ติคือความสืบต่ออย่างรวดเร็วเนี่ยตัวอย่างสัน ต, ติอันหนึ่งคือความสืบต่ออย่างรวดเร็ว เพราะนั้นการปฏิบัติเพียนเพ่งดูรูปนามขันธ์ห้าจนสันตติขาดเกิดปัญญาอย่างรู้อย่างเห็นรูปนามขันธ์ห้าอย่างรวดเร็วได้นี้แหละเรียกว่าอุททยพยายางปัญญาขั้นที่สี่ปัญญาขั้นที่สีญญ่เดี๋ยวเขาต่อไปนิดหนึ่ง <c oughs> เอาเอ า, อาเอาแผ่นหน้าแผนหน้า เป็นหน้าแผ่นเดียวเป็นหน้าแผ่นเดียว